เปิดหนังสือไปหน้าเจ็ดภาคกพระพิธรรมพระสังคีณีท่านธรรมยังสตาพิธรรมมาประกาเนสุปปพภาค า, ากทายโยพนามะเซม กุสะราธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นกุโซนกุสะราธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นอกุศซออพยากตาธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นอพยากฤษ กาตาเมธัมมากุศลาทิธรมเหล่านเป็นกุศลยาตสมิงสมัยเย็นในสมัยใดกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโซมนาสสะหาคตังกามาวจรกุศลจิตที่รวมด้วยสมนาส ญาณสัมปยุตังประกอบด้วยญาณเกิดขึ้นประรบอารมณ์ใดๆรูปารมณังวาอารมณ์ทางรูปก็ดีสัทธารมณังวาอารมณ์ทางเสียงก็ดี คันธาร ม, มานังวะอารมณ์ทางกลิ่นก็ดีรารสาร ม, มานังวะอารมณ์ทางรสก็ดีโพธ า, พาร ม, มานังวะอารมณ์สัมผัสทางกายก็ดี ธรรมารมณังวาอารมณ์นึกคิดทางใจก็ดียังยังวาปนาราพาตัสัมิงสมเาเยพาโสโหติอวิเคปโหติในสมัยนั้นภกษาและความไม่ฟุ้งซ่านย่อมมีเยวาปนาตัดสมิงสมาเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าได้ อันเยปิอาิปติจะสมุปนาอรูปิโนธรรมามแม่อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิเมธรรมากุสลธรรมเหล่านี้เป็นกุศลพระวิพัง ปัญจคันธาขันฮาเกือรูปะคันโทรูปคันเวทานาคันโทเวทานาคัน สัญญาขันโทสัญญาคันสังขารคันโทสังขานคันวิญญาณขันโทวิญญาณคันตันทากัตตโมรูปะคันโทบรรดาขันทั้งหมดนั้นรูปขันเป็นอย่างไรอย่างจินจิรูปังรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิตาณคตปัจจุบันนางที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจิตตังวาภิธาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอราริกังวาสุขุมังวาหยากก็ตามละเอียดก็ตามพินังวาปณิตังวาเล็วก็ตามประณิตก็ตาม ยังทุเรวาสันติเกว่าอยูย่ไกลก็ตามอยูย่ไกลก็ตามตะเทกาชังอภิสันยุอิตวาอภิสังขิปิตวายนกล่าวรวมกันอยังมุฒิรูปกันโทเรียกว่ารูปขัน73พระธาตุกปถั สังขหรอสังโารการส่งข้อการไม่ส่งข้อสังขายเตนสังขายตังสิ่งที่ไม่ส่งข้อเข้ากับสิ่งที่ส่งข้อแล้วอสังขายเตนสังขายตังสิ่งที่ส่งข้อเข้ากับสิ่งที่ส่งข้อไม่ได้ สังขยเตนะสังขยตังสิ่งที่ส่งข้อเข้ากับสิ่งที่ส่งข้อได้อาสังขยเตนะอาสังขยตังสิ่งที่ไม่ส่งข้อเข้ากับสิ่งที่ส่งข้อไม่ได้สำประโยโควิประโยชโวการอยู่ด้วยกันการพัดพระกัน สัมปยุตเตนะวิปยุตังการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รางวิปยุตเตนสัมปยุตังการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รางอาศังไกตังจัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้พระปุคะบัญญัติ ชาปัญญาติโยมปัญญาหกขึงขันธ์ปัญญาติขันธ์ปัญญาติอายตนาปัญญติอายตนาปัญญาติธาตุปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจะปัญญาติสัจจะปัญญาติอินทรียปัญญติอินทรียปัญญาติ ผู้ฆราปัญญติมบุคคลบัญญาติยิตาวตาผู้ฆราณ์ผู้ฆราปัญญาติมบุคคลบัญญาต์ของบุคคลมีเท่าไหรสัมยาวิมุตโตอัศมยาวิมุตโตผู้พลในการบางคราวผู้พลอย่างเด็ดขาด กุปัฏฐโมกุปัฏฐโมผู้มีธรรมที่กำเริบได้ผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมผู้มีธรรมที่เสื่อมได้ผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้ เจตนาพระโ พ, พ อ, อนุรักษณะพระโพลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนาผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาผู้ทุชนโอโคตรพุทผู้เป็นบุตุชนผู้ครองโคตรเขายูปะรโตอวะยูปรโตุผู้ละชั่วเพราะกลัวผู้ละชั่วไม่ใช่เพราะกลัว พาพากมโนอพาภาภากมโนผู้ไม่ถึงสิ่งที่ควรผู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรนิยตโตอนิยตโตพูเทียงผู้ไม่เทียงปฏิปันโนภะเลติโต ผู้ปฏิบัติพู้ยงอยู่ในผลอรหาันาาตายปฏิปนโนผู้เป็นพระอระหรันผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอระหรันกถาวัตถุหน้าเจ็ดสิบสี่ บุคคลอุปลาบปิสัจจิกัตถะปรมะเทนาติเราค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมาณ์คือความหมายที่แท mm. ้จริงอามันตโยสัจจิกัตถปรมะทศตโตโสบุคคลอุปหลาบติสัจจิกัตถาปรมะเทนาติ คนหาบุคคลไม่ได้ในปรมานคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราคนหาบุคคลนั้นไม่ได้ในปรมาณนายว่างวัตเพอาชาณานิคามท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั้นท่านจงรู้นิฆาเถิดถ้าท่านคนหาบุคคลได้ในปรมาณ หันจิบุคโลอุปลาปิติสัญชิกันทาปรมานเทนะเตน ะ, ะวัตเรวัตเตเพโดยความหมายอันแท้จริงแล้วท่านควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมานคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาน โยสัจจิกะตโท ป, ปรมัตโทตตโตสุภุคโลอุปราพติสัจจิกาตถาปรมัตทนาติมิชฌาคำตอบของท่านที่ว่าปรมัตคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราคนหาบุคคลนั้นได้โดยปรมัตอันนั้นจึงผิด พระยมกนเเกนาเจ็ดสิบห้าเยเกจิกุศลาธรรมะธรรมาบางเหล่าเป็นกุศลสาพเพเตกุศลามูลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลเยวาปนะกุศลามูลาอีกอย่างหนึ่งธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูล สาเพเตตมากุสลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลแยกเกจิกุสลธรรมมาธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสาเพตกุสลมูลเลนเอกมูลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูล เยวาปนะกุสราโมเลนะเอกมูลาอีกอย่างหนึ่งทำเหล่าได้มีมูลนั่นเดียวกับทำที่เป็นกุศลสาเพเตธรรมากุสราทำเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลพระมหาประธาน เหตุปัจจยนธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยอารมมณปัจโยนธรรมที่มีอารมณ์เป็นปัจจัยอธิปัติปัจโยนธรรมที่มีอธิปอดีเป็นปัจจัยอานันตรปัจโยนธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นในระหว่าง สามัญตะปัจโยธรรมที่มีปัจจัยมีที่สุดเสมอกันสหาชาตปัจโยธรรมที่เกิดพร้อมกับปัจจัยอัญญมัญญะปัจโยธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกัน นิสัยปัจจัยโยนทำที่มีนิสัยเป็นปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยโยนทำที่มีอุปนิสัยเป็นปัจจัยภูเรชาตปัจจัยโยนทำที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจจัยปัจชาชาตปัจจัยโยนทำที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัย อาเซวนปัจจโยธรรมนี้กันเสเป็นปัจจัยกรรมปัจจโยธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัย วิปากปัจจยนธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัยอาหารปัจจยนธรรมที่มีอาหารเป็นปัจจัยอินดริยปัจจยนธรรมที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัยชาณปัจจยนธรรมที่มีชานเป็นปัจจัยมักขาปจโยนธรรมที่มีมักเป็นปัจจัย สัมปยุตตปัจโยติธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัยวิปยุตตปัจโยติธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัยอาทิปัจโยติธรรมที่มีปัจจัยนาธิปัจโยติธรรมที่ไม่มีปัจจัย วิคาตปัจะโยนทมที่มีกานอยู่ปราศจากเป็นปัจจัยหาวิฆาตปัจะโยนทมที่มีกานอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัยบางสุขุนตาย อนิจาวัตสังคาราสังข า, า, งขานี้ไม่เที่ยงหน้ออุปาถวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัจิตตวานิรุจชันติเมื่อเกิดขึ้นย่อมดับไปแต่สังวูปาสโมสุโขคขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารคือความชิดปรุงแต่งนี้เสียได้ย่อมเป็นสูงดังนี้หน้าเจ็ธรรมสังคีนีมาติกา ทันธรรมยังธรรมสังขินิมาติกาถาโยภาณามเสมกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีอกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอกุศลก็มีหาพยากตาธรรมะธรรมที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี สุขายเวทนาญสัมปยุตตาธรรมาธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มีทุกขายเวทนาญสัมปยุตตาธรรมาธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มี อาทุคมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรมาธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีวิปากาธรมาธรรมที่เป็นผลก็มีวิปากาธรรมธรรมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลก็มี เนวาวิปากนาวิปากธรร ม, มะธรร ม, มะธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผลก็มีอูปาทินุปาธานิยธรร ม, มะธรรมที่ถูกยึดมั่นและเป็นที่ทั้งแห่งความยึดมั่นก็มี อนุปาทินอนุปาทานิยธรรมะทาที่ไม่ถูกยึดมันแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันก็มีอนุปาทินอนุปาทานิยธรรมะทำที่ท้งไม่ถูกยึดมันและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันก็มี สังกิริทสสังกิเลสิกาธรรมาธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มี อาสังกิเลตอสังก th ิเลสิกาธรรมาธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มีอาสังกิเลตอสังกิเลสิกาธรรมาธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ก็มี สวิตกากะสะวิจารธรรมะธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจารคือความตรองก็มีสวิตกสวิจาระมะัตธรรมาธรรมที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารก็มี อาวิตากาวิจาระธรรมาธรรมที่ไม่มีทางวิตกและวิจาร์ก็มีปิติสากตาธรรมาธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความอิ่มเอิบใจก็มีสุขาสากตาธรรมาธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความสุขก็มี อุเบกขาสหัคตาธรรมะธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มีทัศเนนาปหาตภ า, าธรรมะธรรมที่พึ่งลาด้วยทัศนาก็มีภาวนายาปหาตภ า, าธรรมะธรรมที่พึงลาด้วยภาวนาก็มี เนวัตสเนานนภาวนายาปะหาตภ า, าธรรมามธรรมที่ลามิได้ด้วยท้งทัศนาและไม่ได้ด้วยภาวนาก็มี ทัศน์เนนบาตาภเยตุกาธรรมาธรมมีสาเหตที่พึงลาด้วยทัศนนั่กมีภาวนายบหาตาภเยตุกาธรรมะธรรมมีสาเหตุที่พึงลาด้วยภาวนาก็มี เนวทัสนเนนนภาวนาญาปาทาภิุก u าธรรมามถ้ามีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทั้งทัศนาและมีได้ด้วยภาวนาก็มีอาจะยกขามิโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่การสังสมก็มี นาปัจจะยาคามิโนธรรมาธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มีเนวะจะยาคามิโนนาปัจจะยาค า, ามิโนธรรมาธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสมและสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มีเศคาธรรมาธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษา อยู่ก็มีอาเซคาธรรมนานธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหันตกผลซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้วก็มี เนวสิกานาสิกขาธรรมะธรรมที่ไม่เป็นดั้งของผู้ยังต้องศึกษาและไม่ต้องศึกษาก็มีปาริตาธรรมะธรรมที่มีสภาวะยังเล็กน้อยก็มีมะคตาธรรมะธรรมที่ถึงสภาวะใหญ่แล้วก็มี อปปามานาธรรมะธรรมที่มีสภาวะประมาณมีได้ก็มีปาริตารมานาธรรมะธรรมที่มีสภาวะอย่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์ก็มีมาคาตารามานาธรรมะธรรมที่มีสภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มี อาปะม า, ามมนาธรรมนาธรรมาธรรมที่มีสภาวะอันประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีหินาทรรมาธรรมอย่างสามก็มีมาชิมาธรรมาธรรมอย่างกลางก็มีปานิตาธรรมาธรรมอย่างประนีก็มี มีจาตานิยตธรรมมาทำที ma, th th ่แน่นอนฝ่ายผิดก็มีสมาตานิยตธรรมมาทำที่แน่นอนฝ่ายถูกก็มีการนิยตธรรมมาทำที่ไม่แน่นอนก็มี มาคารมนาธรรมะธรรมที่มีมากเป็นอารมณ์ก็มีมาคาเอตุกาธรรมาธรรมที่มีมากเป็นเหตุก็มีมาคาทิปติโนธรรมาธรรมที่มีมากเป็นประทานก็มีอปุปนนาธรรมาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มี อนุปันนาธรรมาธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีอุปานิโนธรรมาธรรมที่จะเกิดขึ้นก็มี อาทิตาธรรมะธรรมที่เป็นอดีตก็มีอานาคตาธรรมะธรรมที่เป็นอนาคตก็มีปัจจุบันนาธรรมาธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มีอาทิตารมนาธรรมาธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มี อนาคตารรมนาธรรมาธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มีปัจจุบันนามมนาธรรมาธรรมที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็มีอาชตาธรรมาธรรมภายในก็มีพระทาธรรมาธรรมภายนอกก็มี อาชาติพาหิธาธรรมามธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอาจชา ต, ตารั ม, มนาธรรมาธรรมมีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ก็มีไาหิธารา ม, มนาธรมมาธรรมมีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ก็มี กาชตตาติภัยธรรมนาธรรมาธรรมมีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีสานิทัศนาสัพพิฆาธรรมาธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีอานิทัศนาสัพพิฆาธรรมาธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มี อานิทัศณปฏิฆาธรรมาธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีหน้าแปดสิบบางสกุลตายอนิจาวตสังคาราสังขารไม่เที่ยงหนอโอปาทาวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาน อุปัจิตวานิรุชันตีเมื่อเกิดขึ้นย่อมดับไปเทสังอุปัสโมสุโคความเข้าไปสงบประงับแห่งสังคัญคือความชิดปรุงแต่งนี้เสียได้ย่อมอยู่เป็นสุ่งดังนี้แล